นะฟังทำกันเนาะละหลายอย่างเพื่ อ, อความหลดข้นของจิตวิญจาณเราจดมนไหวพระหายใจเข้าหายใจออกปดส่วนวนเราก็มีสาระมีประโยชน์ ขึ่นคาถาใจยมุนคนคาถาที่เราส่วนเมื่อกี้นี่ก็ได้ประโยชน์จากการชนะมารของพระพระุทธเจ้ามีแต่เรื่องใหญ่ๆโตๆช่างนา้าร้อยสิริ เกว่าทัดปล่อยช่างตกมันวิ่งมาชนขณะที่วหนทบาทจนพระอานนท์เดินตามหลังพทธเจ้าวิ่งออกข้างหน้าเพื่อให้ช่างชนตัวเองเจา้าแหวนแตรเมตตาอยู่เสมอบริสุดเราชนะ นาไลา่ิดยิงได้เิ่งมาถึงใกล้ๆแทนที่ชนซะก็เลยมอบลองราะมีแม่ตารุณนาไว้ในใจเสมอไม่คิดว่าอะไรจะเป็นศัตรูขั่วเลิของตัวเองแม่พระเทวทัตรเร่งก้อนหินหลงจากเขอจะทับให้ตายซะ ว่าถูกเพราะโหลเห็นในพระหัจนห่อเลือดก็เล็ดลอยก็ไม่ได้ชิดว่าเป็นศัตรูกับไครวัฒน์หลายอย่างไปปราบอมกิลมานโจรใหญ่ก็คนตายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนถูกเดือดจนเมือง สาวัตถีเดือดร้อนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลต้องสั่งให้ทหารทหารออกไปปราบมันมาอาจัยอยู่ข้างดอนป่าข้างเมืองให้ทหารทหารไปล้อมเพื่อจะทำบายองค์ิมานมันทำให้คนเดือดร้อนตัวหมายตายไปจ้าก็ได้ข่าว ต้อง่วยช่วยองคฤิมานถ้าเราไม่ไปมันดาบิดาขององคุริมานก็จะไปไยบอกนะลูกนี้แม่ลูกเป็นโจรผู้ร้ายก็ยังรักลูกอยู่เหมวอกของพ่อของแม่ชิดถึงอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ทั้งสองไปองค์คมานจะจำไปได้ก็มันมืดบอดหมดแล้ว อาจจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายก่อนจ้ะเมื่อข่าพ่อฆ่าแม่ตายก่อนมันก็เป็นอานันติอะเลียกรรมเป็นกรรมหนักเป็นบาปหนักครับเรื่องอุ้งคมานที่ได้ฆ่าคนนั่นเพราะหลงเชื่ออาจารย์หลอกเพื่อใช้เขาข้าตายจ้ะวิสุทธิอุ้งคลิมานก็ไม่ บัญญาในการที่จะเอาตัวรอดได้ไม่มีใครถูกฆ่าแม่ฆ่าคนมาจานวนมากว่าไม่มีใครข่าองค์ชายวานได้ถูกหลอกเฉยๆพี่เจ้าคิดถึงส่วนนี้ก็เลยเพื่อจะช่วยองค์ชายวานให้ทำปานนันตเลกกรรมที่เป็นกรรมหนักข้ามสวรรค์นั่นด้น ไดไประโยชน์ทั้งสองอยา่างหนึ่งได้ช่วยองค์ครีมานไะช่วยบันดาวิดาขององค์ครีมานจะไปปราบองค์ครีมานเพื่อให้องค์ครีมานเห็นไปจ่จยค่าตัวเองด ม, มารเห็นก็วิ่งออกมาถือดาบมาจากดอนอเจ้าก็วิ่งเหมือนกัน แต่พระเจ้าสมงให้เป็นเจ้าฝ้าชายวิ่งขับม้าได้ภาษาเลยองคุิบาลวิ่งจะทันขุนเจ้าก็ไม่ทันสักทีก็บอกหยุดหยุเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วด้วยเสียงอ่อนโยนเมตตากราบไปในหัวใจลึกๆแต่เธอยังไม่หยุด ออกเรยงานหยหุดอะไรมันวิ่งอยู่เราหยุดแล้วจากทำบาปทาำกรรมไม่ทำบายไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครเดือดร้อนแต่ยังไม่ได้หยุดแต่ยังตามหาฆ่าคนอีกเราสำน้าอะไ ร, รสำน้าอะไรมาโกห ว, วิ่งอยู่ก็ยังมาหยุดเราหยุดจากทำบาปทาำกรรมเด็ดขาด ไม่ทำให้ขะเดืด่อโลนองคริมานสีอย่างไม่หยุดตัง้งนานดูดขลอมสองขลอมองคริมานสำน็ตได้อย่างนี้เดียวว่าปราบมานก็เลยอันนี้ละมั้งเป็นพระพุทธเจ้าลูเจ้าพ่อชายทีท่าตออกวดัดที่เป็นลูกโอรสของว่า โอสุดโตจนนะเอาไปแห่ไหมจะรปเจ้าสุโตจนนะจะตัดจะรู้อาจจะเป็นองนี่ละมั้งคิดสลดใจแล้วเรามาโดย่างจนปานนี่หนอไว้เลยรู้จั ก, จกพูที่เจ้าจ้องพดูดนถูกต้องที่สุดโดนโยนด้วยใจที่เป็น เมตากรุณาหายหัวใจลึกเลยก็เลยอ่อนมาเที่ยงดาบลงจากมือเข้าในป่าก้มนอนล่องให้เสียใจจนพระเจ้าได้มาปราบมารสอนได้อย่างนี้ <c oughs> ปราบมาไม่ใช่สืบสตาร์วุฒคือเอาจิตวิญญาณ ก็นเราสวดใจมงคลกุศลไอ้เราดึกถึงคนของพระเจ้าที่โอชะมานเราก็คนหนึ่งที่โอชะมานอะไรทมันเกิดขึ้นจากชีวิตรเราให้ได้วิเลตมานไม่ดูร้ายเหมือนองค์คริมานเหมือนช่างนาฬิกาเลงเหมือนนางกินจับไม้นกาหรั้งเกตตกเกเรื่องนี่ ลอยกวัวกิเลสมานยังแต่มันคิดพ้อยใจไปอ่อนแอไปขันทํามานอยดกัอสังขารร่างกายอ้างว่านนว่านี้มัดจุ ม, มานกลัวถึงความตายจะมาถึงตอนครวัวซะ อะไรเกิดขึ้นก็กลัวตายโยนกัดก็กลัวตายร้อนก็กลัวตายหนาก็ตัวตายหิวก็กลัวตายแม่เจ้างานหนักหน่อยก็กลัวตายมาจุมมนันเทวดาบุตรจำมานความฉุกะดกสลานเพื่เปิน่นบ้างวันหนุ่มบ่างวันสาวอยู่น่าจะสนุกสนานเพื่อเปินในกาลมงคล เห็นกรรมคนเป็นเรื่องเทวบุตรตมานเป็นเรื่องความสุขแห็นคนเดินในความสุขมานุปสตริทั้งหลอยที่มีความสุขกับผู้หลักคู้นมคู่สาวก็ชิดอยากเป็นความสุขเห ม, มือนเขาขับรโยนต์มอเตอไซก็อยากจะมีความสุขเหมือนเขาก็ใส่กางเกงเสื้อสวยงามก็ อ, อยากจะใส่เหมือนเขาเนะี่ยเทวบุตรตมาน ได้โลภได้โลไดโลได้กินได้เสียงหิวนี่เทวบุตรมานมันก็เกิดจากจิตใจเราเนี่ยไม่ใช่เกิดจากโอ้ยจับอ ต, ตาอาวุธมาังคับแม้แต่ความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรมาเกิดจากจิตใจวินจิตวิญญาณที่มัน หลไปทางต่ำๆเปลี่ยนแต่ความคิดเฉยๆไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอะไรก็ยังประยองสู้อย่างนี้หรือเกิดปัญหาจริงว่าล้มมิดดีเพื่อนดีอะไรที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นทุกข์เป็นโทษตัวโต้เชื่องนั่นเอง มีปฏิเจต์เวได้ในโลกนี้เกิดดินนี้ไม่ได้ปูล่าไปด้วยก็มาหยีหรือผ้าผมอะไรที่ไหนมันมีโคขาในโลกนี้สะดุดเะดิตอยู่น่นเรงนี้เรืงนั่นอยู่เรื่อยแล้วก็อย่าเอามาเป็นปัญหาต่อการบรรลุธรรมเลย ไม่ออกมาเป็นบทฝึกขับตัวเองมีเหมือนกันมิตรไม่ดีเพื่อนไม่ดีเคยมีมิตรไม่ดีเพื่อนไม่ดีเป็นดากปวดแต่ไหมหนุ่มเหมือนกันก็ะชืดชิญ ไ, ไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวเดินสางามเห็นหญิงงามก็เชวนชีดชวนสน พูดเรื่องอย่างนี้เราก็พยายามฝึกตนอยู่ในทุกรูปแบบเพื่อมให้สิ่งวดรล้มดึงไปแล้วก็เอาความเชี่องแข็งอสู้ไม่ไหลไม่ค่อยตามเราฝึกตนสอนตนเราหนีหมาจากบ้านจากเดือนทิ้ง พ่อทิ้งครัวทิ้งพ่อ ท, ท, ทิ้งแม่ทิ้งงานที่การมาแล้วก็พว่องตัวเองอยู่เสมอเอาอย่างพระเจา้าเอาอย่างพระสาวกทั้งหลายอยู่เสมอจึงไม่ได้ค่อยจะวั่นไหวจากเพื่อนที่ไปดีชิงเวรรอบไปดี แม่แต่ทุกข์เขนตายอดเท้าอดน้ำก็ไม่ออกมาเป็นปัญหาหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนบางโอกาสก็ไม่ออกมามีปัญหาเมื่อได้สร้างปัญหาให้ตัวเองแม้ปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่ออกมาเป็นปัญหาตัวเองพยายามที่จะฝึกตนสอนตนทุกรูปแบบอย่างนื้เพื่อความหลุดพ้น เพื่อเอาอย่างพุทธเจ้าพระสาวกท่องหลอยมีจริงไม่แต่ครูอาจารย์ก็ยังเห็นกันทุกวันได้ยินคำพูดทุกวันเช่นหลวงพ่อเตียนหลวงพ่อเตียนก็พย า, ยามพูดอยู่เสมอไม่ว่าความสุกรับ เรากเทียนเป็นโข้าใหญ่แถวเมงลาวฝั่งขงสองฝั่งล้วก็เทียนวิ่งเหลือใหญ่สองฝั่งแม่น้ําขลุงวิ่งมาฝั่งไทยวิ่งไปฝั่งลาวเฉลิมสิงข้าไปส่งลืมแม่นม้ำขลุงมัก็จะมีทางรถสมัยก่อนอาศัยเรือโฟก้า ที่จอดตามท่าสองฝั่งก็เตียนตัวค่าใหญ่มีหญิงสาวมาขอหนวดด้วยกันละห้าหดคนก็นันหรือความสุขมัมไมนใชายความสุขที่แท้จริงคือเนี่ยคือธรรมะเนี่ยก็เตียนกับพวกอยู่เสมอหาเงินหรือหาเงินหาตอนหาล่อยหาฟันหายากแต่หาเงินเหมือนเงินเสนา องค์พระเทียนก็พูดอยู่นี่ก็สมกับฐานะของท่านก็ย่องว่าแม้แต่ภาษากทั้งหลายที่เป็นเรื่องเทียบเท่าพระเจ้าพระยาจักรกลำบตรก็มีภาษาสาม ร, ร้ดูเหมือนกันนีสาวจะหนุ่มน่อยเหมือนกัน ปลัอมบรลลูกเสือตีอาจจะมีความฉกไหนก็กบวชมาเป็นพระหรหันต์วิญาสาคนบวชก็เป็นพระหรหันต์อสสวานก็เป็นพระหรหันต์หลาลูกที่เป็นพระรหันต์แม้แต่คนจนจนก็ยังเป็นพระหรหั ผูห้หงก็มีผู้ชายก็มีเราจึงเอาเรื่องตัวอย่างมาสอนตัวเองอยู่เสมอเราคนหนึ่งเราคนหนึ่งชีวิตหนึ่งแล้วก็มีกระแสรรในการปฏิวัติธรมรมเวลามันหลงก็ไม่หลงเนี่ยมันก็เป็นกระสรแสเวลามันทุกข์ก็ไม่ทุกข์เนี่ยมีสติเนี่ยมันใช่ได้จริงๆ ก็พยายามที่จะติไปเป็นตัวเฉลยทุกอย่างที่ปัญหาเกิดขึ้นอยูตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ได้บทเรียนประสบการณ์ทำให้เข้มแข็งมากขึ้นเออพวกเรานี่บางทีเป็นแต่ความคิดก็หอบหิวเราไปได้จะทำยังไงกันไม่เออย่างคนดี เย่างค่อยตามความคิดผิดพลาดผิจสินผิดทำความคิดก็ยังอมผิดอยู่พุ่นคิดในลมที่พุ่นคิดจนเกิดเตนปุงแรงเกิดจิเล่ตุนหนาแค่นั้นเองไม่มีการต่อสู้อะไรต้องบทชวนสอนตนมาหลายทุกข์ทแบบบทชวนมนุษภาวนาวิธีกรรมต่างๆ สวมนตอนเช้าเพียงสามสิบนาที <ding Cass id warriors> ็ขชี้เกียรมันก็ไม่ได้ทิเบตนักบวชทิเบตสวนมุมลับแปดพันเที่ยวแปดหืนเที่ยวโอ้ดูดูดูออวิุดูรามดูดูดููอืมอยู่จังหวไหนพุธกย่เวลาเราไปสังเบตฉันใสถานจะเห็นทิเบตนั่งสวดมนต์เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มติดเครื่องขยาย ยังไปฮ่ทั่วบริเวณสถานที่อิจฉาก็ตีสามวิอาวาอวาร์โดอะไรอกกลกอกลกอกลกไปถึงก่อนลกนลกอลอีเที่ยวติดเครื่องก็ยอยดังไปทั่วเมืองเวลา วันสำคันกับแม่อยู่บนรถไฟ่เขาก็ทำาจารณาเขเครื่องคดในจารณาหลายประเทศที่เขาเชื่ออันไหนเขาทำงานแม่แต่บูชายันก็บูชาโจทุกจนเทียนอ้อนวอนต้องทั้นที่ไใเห็นอะไร อย่างผู้ชไปโอดเชิดเปป ด, ดินสามพี่น้องอุลุเวลากะจป่าพี่ที่ก่ปัญหานักธรรมชั้นโตเอ่อข้ายากกจป่านาทีกตจะป่าจงมายึงแสดงโอดเชิดเด่นสามพี่น้องไม่คงประจงอะไร เรามายังเทศนาพระอธทิตยะปริยาณสูตรเพราะอะไรก็เพราว่าฉะดินสามพี่น้องบูชายันจุดทูปจุดเตียนเพื่อจะได้ลูกลดกิ่นเฉียงเพื่อจะได้มีลาบสักรละป้อนวนห่วงสวงค่าแพ้ค่าเจะที่หวงสวงที่บูชาเขานอะไรเข้ามาไม่ได้ศักดิ์ ต้องหัวใจเคารพของเขาก็หมายคว่าถ้าโปวดอาจารย์ใหญ่สองลูปได้ก็จะได้เป็นกำลังเผยแพร่คุูเราจะคืบ ไ, ไปเข้าเมืองรูเราจะคืบปวดพระเจ้าเป็นสอนพะเราจะคืบเป็นที่เคารพอาจารย์ทั้งสองนี่เป็นที่เคารพของพระเจ้า จึมพิจารแบเมืองนี่เป็นจำนวนมากก็ไม่เอาสาอบมาจานนี้ไปเป็นกำลังก็ไม่มีอะไรจะสู้ได้หวางแผนที่ไปโปรดก็เข้าไปแวะที่วัด น, นี้อุลุเวลากาจปะตั้งสำนักอยู่ที่ต้นน้ำ กยากระจปะน้องชายต่ำลงไปอีกนาทีกระจปะต่ำลงไปอีกใต้น้ำลงไปอยู่ดอมน้ำสองสํานกมีแต่พี่กับน้องกันดังที่สุดจะไม่นั้นไวปวดรเหลือกระจปะรเหลือก จ, ะ ป, ะอกจะปะก็ให้ไปนอนในที่บวงสรวง เพื่อจใจตายนักบวชอะไรมาแปลกๆสามารถเดินเข้ามานี่ได้ที่นี่มันยิ่งใหญ่ทําไมมาได้คนล้มหายใจมันตายซะรู้จับว่าที่นี่เขาเจ๋งขนาดไหนขอพากคุณเจ้าไปขอพากเขาขอให้ฝากที่นั่นที่บวงสรวงเพื่อจใจตายซะเจ้าก็มี ถนไม่ทาไม่เมตตาไม่ทําให้ใครเดือดร้อนความชั่วไม่ทาเด็ดขาดจะทําแต่ความดีอยู่ที่ไหนก็ทําความดีไม่ทําของชั่วแม่ไม่จะตัวหัวลีก็ไม่ได้คิดจะต่อสู้อะไรถึงเขาวิ่งก็วิ่งเราเฉยก็เฉยไม่เหมาชนะใครก็ไว้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็ไปใน ตอนที่บูชาเพลิงของชะดินสามพี่น้องก็ความนักอยู่ที่นั่นทอมสมาธิเดินจงกรมรูปหลักลกระสุให้ลูกน้องห้ารอยคนไปดูที่ตายหรือยังสามทุ่มไปดูก็ยังไม่ตายหกทุ่มไปดูก็ยังไม่ตาย ่ไปดูก็ยังเดินยังงมอยู่ไม่ตายจนสว่างกร้แกงขึ้นมาก็ยังไม่ตายยังเดินอยู่อ็ยอมแคอะไรจรึงไม่จึงเป็นอย่างนี้หรือว่าที่ของเราบูชาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมสำเนา่าแค่นี้ก็ไม่ตายก็มา อุเวลากระตกปากก็มาสนทนาพระเจ้ากเทศอาทิตย์จะปริยสูตรนี่เป็นโทษของการบูชาได้ยแสดงเองมันเป็นอย่างไรให้ฟังอุเวลากระปากก็ศรัทธาเรื่องใสยอย่างขายวิธีของตนมาสุธรรมะชื่อเจ้าสอน เป็นทิศเป็นจริงอย่างไงอนมีปัญญาก็สามารถรู้ได้พิสูจน์ได้สัมผัสได้ผลสุกลอยบริวารบริขันเข้าไปทั้งในหน้าหมดเลยเครื่องบูชาต่างๆเอาลงหน้าไม่ไหลไปเลยเป็นจัดเป็นฐานที่ปฏิบัติวาสนาวกตั้ง สำนักห้าล้อยคนนะมาฟังธรรมกันหมดสองวันสามวันอยู่ที่นั่นแสดงธรรมอยู่ที่นั่นนาฏีก็ดขยกกักขยับน้องชายเห็นเครื่องบริหารเขาพิจยัยไหลล่องไปตามน้ำนึกว่าถูกอันตรายจะพิจยัยปาลุน้องมาสามรอยคนจะมาช่วยพิจยัยเกิดพิจายนั่งรอมุขเจ้าฟังธรรมอยู่เลยมาฟังธรรม ร่วมกันเป็นแปดร้อยคนอจุก็ต้องสองสามร้านลอยริขานลงไปในหน้าหมดน้องชายคนจุดท้ายนาทีก็จะไปเห็นวลริขานของทั้งพี่ทั้งสองล่องลอยมาก็ขึ้นมาอีกมาคิดว่าอะไรเกิดขึ้นรวมบริวารสองรอยคนใหม่เอาปังทำรวมกันดี่ง จะไปแสดงตามวี่จนั้นเป็นมิตรเป็นเพื่อนว่าจอซื่อตรงๆเอาของเยี่ยงเขาว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงความคิดมันถุกแล้วหวังอย่าไปเชื่อหวันความคิดจากว่าเกียดจากว่าเวทนาจักว่ากายจากว่าธรรมถอนไป สิ่งใดมันก็ไม่เที่ยงสิงนั้นไม่สินงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์มานควรถือว่าเราของเราเราเชื่อได้แล้วเปลี่ยนได้พวกนี้อยบริการไปหมดอกันถือรที่ตามพระเจ้าพระเจ้าก็พออริวาสทั้งพันก็เดินเราจะคือจเจ้าเป็นวิสานถัดต้นรับที่สวนดานหนุ่มไปจํานวนมาก ันสองวันโลกนะไม่มีสานที่พระวัดว่าเราไม่มีสวนตานหนุ่มยังเห็นอยู่โนอกเมืองแล้วจะคือเวลาเราไปเมืองนี่จะมีศาพรพาวราณออกมาตอนเราไม่รู้จะ ก, กราบใครอุ้รั่ากันปากก็เห็น ขยักกะปากก็เห็นนาทีกะสปากก็เห็นว่ามลนองอุ่ยสวยกรพระเจ้าแสดงม้าบกระสปากก็ลูกขึ้นมากราบพระเจ้าขยากกะปากเข้ามากราบนาทีกรปากเข้ามากราบพระเจ้าทั้งหมดพันลูกเข้ามะกาบพ้นเจ้าหมดพระเจ้าจึง รู้ว่านี่คุดเจ้าเป็นที่เคารพของพวกนี้ก็เลยพาวันหลคนเมืองมากาบมาไหว้ตั้งวัดให้เรียกว่าเวรุวันทุกวันนี้อยากไม่อยู่แต่วัดแรกทุกสุดนี่คือปราบมารทั้งหลายการเผยแพร่ครั้งแรกหล่อมบ ก, กว่าพวกเรา พวกเราเนี่ยมีวัดว่าด า, ามไปไหนก็ง่ายมีวันาบบาทคนใส่บาทจ้หัวทั่วหัวก็ยังอะไรเป็นเรื่องยากอะไรเป็นเรื่องพอใจไม่พอใจอยู่เช่นนั้นหรือมันเป็นด่านความพอใจความไม่พอใจด่านของกายด่านของความสุขความทุกข์ด่านความคิดด่านของธรรมเป็ น, นกนุศลอกุศลราคองอยู่ที่นี่ทำไม รูจักตัวไปเรื่อยๆจักแต่ ว, ว่าจักแต่ ว, ว, ต ว, ว่าจะหาความสะดวกขนาดไหนหาความสุกขนาดไหนจากสิ่งแวดล้อมมันไม่มีเดอมาไม่สุขที่ใจของเราไม่ได้เปลี่ยนที่ใจของเราซะเราหนักางหากสร้างปัญหาให้เราต่างหา แมคนอื่นจะสร้างให้เราก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใ ห, ใหญ่โตแต่เรานี่สร้างปัสนาเขาเฉินเฉินก็ดีใจเขานินทาก็เฉือยใจนี่ตัวเราเองให้คนอื่นสักฟ้ไปเหมือนหนังสมุทัทยหนังตะลุงีวิตห้วยเแขนด้นนวยกับจึงเกิดวัตถุอื่นมาไม่ใช่ศาส น, นาพุทธศาสนาพุทธต้องพึ่งตนเองแก้ไขตนเดองเตือนตนเด่งดูแลตนเอง มีจะตติอยู่ทุกเมื่อปลกตนสอนตนอย่างนี้เราก็มีโอกาสอยู่เรื่องนี้ให้ถือความสะดวกให้ให้ความสะดวกต่อกันและกันถ้าท่านผู้ใด ห, หวังความหลดพ้นให้จงให้ความสะดวกเถอดในลบควัอไหลก็น่าจะได้บุญได้กุศลจะลำส น, นุน อ๋อเป็นส่วนล่วงกับผู้ปฏิบัติผู้สงบผู้ผูกต น, น, นสอนตนเอามาจะนำไปลบควรสอนไม่จะอ้ยจะจามจะทำลายคูกักก็ละมัดระวังเมื่อคนเดือดเถอยังทำดีอยู่อย่าไปลบควรให้สนับสนุนบ็ให้อะไรความสะดวกก็ให้ปะไรเข้าใจเจนที่ให้อยู่หาเสื่งใสให้ช้ ต้องการสนับสนุนคนชนดนี้เธออย่าลบหลวนกันแม้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเท่าคนเจอก็ให้วความสะดวกตามฐา น, นะเราอะไรที่พอจะสะดวกก็ขวนขวย ว, ว, ว่างที่อยู่อายที่อยู่อาศัยเครื่องนุ ง, งม อย่ารักษาโลกอาหารการกนินและสนับสนุนเพื่อให้คนผู้ปฏิบัติได้ละความชั่วทำความดีจะได้มีคนเดีเกิดขึ้นมากมากหูด้ำบอกขอสัลาสรา้างถนนทางหัวเนี่ยพี่อาสายเหียนแต่เป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดี แม่มันมีกำลังทำมันที่มันเป็นวัตถุก็ทำปรกอบรูกปเป็นนามาทำในความยิบย่มแจ่มจใให้ความเป็นเม็ดกันและกันอุตสาหาเลยเวลาได้เกิดขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดในฝังสักนิดนิดหน่อ ย, อยช่างหัวมันช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองเหมือนพ่อแม่ปอกอบลูก โลกทะลาะกันช่างหัวมันอย่าไปถือสากันแล้วก็เย็นลงได้ช่างหัวมันนีนมน่มันเบามันไม่หนักเป็นเชนั้นเองยิ่งเบาเวกไม่เป็นไรกับเบาเวกไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรเลยยิ่งเบาใหญ่เป็นการโลตาจิตตะลุดาไม่มีอะไรหนักนี่นักกรรม ก็ออกข้อสอบผลิต ป, ปิดผลิตปุตตะว่าพหลุนพหลังโอเจ้าวางอะไรทำไมจึงวางที่ไม่ถือมาอีกวางอะไรวางขันห้าที่เป็นพหลุนพหลังวางลงสอบันตองหน้าเป็นของหนักเนยบุคคลเลยเป็นผู้แบกของนักปาไป ว่าย่าสลรับทิ้งของจักลกเสแล้วต้องมาหยิบอขวงขังขึ้นมาอีกหมดแล้วชิ้นไปแล้วถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยไปถืออะไรมากมายหยิดมันถือมันเพียงแต่ล้มเกิดขึ้นก็ถือมันเขาว่ากักูเขาว่ากักูกกมันไม่ก็จะมีคุณธรรมอะไรเพึ่งเปล่งมาได้ ต้งสอนตนทุกรูปทุกแบบสิ่งวัดร่อมมาดีก็สร้างสิ่งวัดร่อมมาจาตัวเองมีมิดไม่มีไ ม, ม่มีมิดก็เป็นมิดกับตัวเองมีนะในโลกนี้สมัย ว, วดจะหนุ่มใหม่ๆคนบางจะฟงคนบานเครื่องมานี่หมวนไปตั้งวัดแล้วก็ไป พาเลื่อยไม้พาสร้างศาลาเ่อบ้านาทัทงบา้านเอาไม้ตะเกียนใหญ่ขึ้นหน้วยห้วยนั้นเขาปั้นฝายหน้าบรรท่วมแล้วก็เห็นตะเกียนต้นหนึ่งอยู่ที่นี่ก็เลยพากันมดุดลงไปไปตัดไม้แล้วก็ข่าวเชือกคนหลงบ้านดึงขึ้นมามว เ, งงเลื่อยไม้มีแต่ ไอ้ดีหมดบ้านหมดเมืองแต่บ้านนั่นบ้านเครื่องบ้านทขาบ้านใหญ่อาาางค์ท่านลาได้เสร็จเขาก็มีศรัทาขาขอจ้างให้อยู่ที่นั่นเกิดมีนาที่จอบจองไว้เป็นของพระผู้ดใดพระสร้างวาดัดทั้งหวาจะยกให้สี่สิบไร เขาก็พาไปดูเนี่ยนะอยู่ที่นี่ทาจาจา์อยู่ที่นี่จะพากันยกหนาผืนนี้ให้ว่าจะพาสั้งบัดทั้งวาจะ่าเพิ่งมนีเป็นไหนเป็นบัดเป็นบาดดีๆดก่ <c oughs> อนสอนยอดสอนลกกมันดีไหมพูดอย่างนี้ <c oughs> อ้า <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อรวยดาสีบไร่ไหม ดีนาดีนะอยตมุนเพิองสีแดงสีขาวเต็มไปหมดเลยดินดีอะไรเอางยวันน้าสังเอานาสิ <c oughs> <c oughs> ่สิบไร้รอนบอนให้อยู่จะสับจะเสาให้ด้วยจะให้พี่ให้น่องมาดอยู่ก็ได้ถ้าสบเสาให้อยู่ที่นี่ด้วยกัน เราก็ไม่เอาเลยเรามาได้มีเตื่อนอย่างนี้เราเพื่อบรรลุธรรมเพื่อศาสนาออกบวชมานี้ไม่ใช่จะมาเอาไรเอานาอ mm hmm. เพื่อนกันที่อยู่ด้วยกันก็ชวนเรื่องนี้เอาจะเอาเท่าอยู่เทอยู่จะเอากับสาวคนนี้หญิงคนนี้อย่างนั้นอย่นี้หวางกันเอ เพื่อนที่เป็นอย่างนั้นก็มีจิงเวีนร่อมเปลีย่ยนนั่นก็มีเราก็ไม่หวั่นไหวเอก็มาพุทธยานซ้อมเสร็จแ ล, ล้ก็มาผูา้ชายก็ไม่ไปเลยวันเนี่ยเห็นมันเป็นเช่นนั้นก็ไม่ไปแล้ต้องการมาก็กลับไปอีกเวลาจะกัดด่แน่นอนแต่วราไม่เอา ก็อยู่อย่างนี้เอาสมควรเจเวลาเนาะอาป่าว